ผู้รู้ทั่วถึงอริยสัจจะทำจัดมีอยู่มีอยู่นะพระเจ้าข้าเพรางั้นะเขาเหล่านั้นถ้าไม่ได้ฟังเข้าเสื่อมเพราะว่าวิสัยของสัตว์ทั้งหลายที่จะตรัสรู้มีอยู่3มกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบโดยถูกต้องโดยลําพังพระองค์เองแต่การตรัสรู้อันนั้นเกิดจากการบ่มบารมีอินทรีย์มาตลอดสี่อสงไขแสนกับจึงได้ตรัสรู้กลุ่มที่สอง คือพระประเจกพระพุทธเจ้าอย่างน้อยสองอสงไขยแสนกลับอย่างน้อยนะแต่ก็ไม่เกินสามอาสงไขยที่เหลือนี่พุทธสาวกทั้งหลายจําต้องอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นโล ก, กนายกอย่างเดียวจําต้องรอสาสถาเทวมนุษย์สานังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พาสัรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามจากโอคะอย่างเดียวเพราะถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมนี่ก็เหมือนกับว่าหัวหน้าถอยแล้วหวางกันเถอะ หัวหน้าถอยแล้วทั้งหัวหน้าถอยก็จบหมดเลยเหงือนกันเพราะทุกคนไม่สามารถไปโดยลําพังตัวเองได้อยู่แล้วจําต้องอาศัยคนมีบุญคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถ้าเป็นโคก็จําต้องอาศัยโคจ่าฝูงถ้าเป็นมนุษย์ก็จําต้องอาศัยผู้นําทีนี้ผู้นําเหล่านั้นหาไม่ยากเพราะใครก็อยากจะนํากันแต่ผู้จะนําเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ข้ามจากโอค้าให้ข้ามจากชาติชรามรณะนี้ไม่มี เขาเหล่านั้นถ้าพระองค์ไม่พาเขาข้ามโดยการประกาศอริยสัจธรรมให้เขาได้ยินได้ฟังเขาเสื่อมแน่เสร็จแล้วก็กล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าเมื่อก่อนธรรมะไม่บริสุทธิ์อันคนมีมนทินคิดกันแล้วได้ปรากฏไปแล้วในมคตชนบทคือสมัยนั้นเนี่ยนะรัฐที่มิจฉาทิฐิทิฐิ 62, นี่แพร่ระบาด ท, ทั่วไปหมดเลยนั่น เป็นพระพุทธเจ้าที่ต้องโอ้โหมาคอยล้างมิจฉาทิฐิสารพัดมิจฉาทิฏฐิที่เขาโปรยลงไว้เนี่ยนะโปรยลงไว้นี่มันทั่วไปหมดเลยจากคนที่มีใจเศร้าหมองค้นคิด น, นะมิจฉาทิฐิที่เขาโปรยเนี่ยเกิดจากความเศร้าหมองเพราะต้องการวัตถุกรรมเมื่อต้องการวัตถุกรรมต้องการลาบสการะสรรเสริญชื่อเสียงยศเป็นต้นก็ช่วยการประกาศลัทธิมิจฉาทิฐิ นนะวัตถุประสงค์ว่าจะพาสัตว์ไปนรกก็ช่างมันเถอะขอให้เขาได้ส่งสวยว่า ง, งั้นให้ส่งวัตถุส่งปัจจัยสี่ส่งให้ตัวเองเนี่ยร่ำรวยไปด้วยเบญจากา ม, มกคุณเพราะนั้นไอ้จะปรยลับที่มิจฉาทิฐิขายสวรรค์ยังไงก็กทําไปหมดอนะขายสวรรค์ขายนิพพานยังไงก็ทําหมดเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสมบูรณ์ภูมสุขไปด้วยลาบส ก, การะเป็นต้นพรัะพวกนี้ลับทธ่มิจฉาทิฐิก็เลยแพร่ระบาดทั่วไปหมด ขอพระองค์ได้ทรงเปิดประตูแห่งอมตะธรรมขอให้พระองค์เปิดอริยมรรคซึ่งเป็นทางแห่งพระนิพพานขอสัพพะสัตทั้งหลายจงได้ฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดจดผู้ตรัสรู้แล้วตามลําดับนันะขอให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนะได้ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีแต่ความบริสุทธิ์เนี่ยนะบริสุทธิ์ด้วยนะพระองค์ผู้มีพระบริสุทธิ์ที่คุณนะผู้มีพระมหากรุณาที่คุณและมีพระ ปัญญาที่คุณขอให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสได้ฟังอริยสัจธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะโดยลำดับเธอเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักสุยืนอยู่บนยอดเขาซึ่งล้วนแล้วด้วยศิลานะยืนอยู่บนยอดเขาก็สมัยนี้ง่ายก็ขึ้นไปบนตึกสูงร้อยชั้นเนี่ยนะซึ่งล้วนแล้วด้วยศิลาเพิ่งเห็นชุมชนได้โดยรอบฉันใด ถ้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีพระจกักรสุรอบครอบคือสัพพัญยุตยานขอพระองค์ผู้ปราศจากความเศร้าโศกจงขึ้นสู่ปราศาส์อันสำเร็จด้วยธรรมอนีนะปราศาส์ก็คือปัญญาที่สำเร็จด้วยกุศลธรรมทั้งปวงที่สำเร็จด้วยบุญบารมีทั้งหมดขอให้พระองค์พิจารณาชมนุมชนผู้เกลื่อนกลนไปด้วยความเศร้าโศก โค้อันชาติและชราครอบงามแล้วมีอุปมายฉันนั้นเถิดเปรียบเหมือนว่าสมัยที่บ้านเมืองมีสงครามมันมีการเข็นการฆ่าเต้ไปหมดเลยนะใครที่ขึ้นอยู่บนยอดเขานี่บนยอดที่สูงๆนี่มองเห็นความทุกข์ยากของสัตว์ทั้งหลายที่ทะเลาะแก่งแย่งกันฉันใดขอให้พระองค์นี้ขึ้นสู่ปัญญาั้นขึ้นสู่ปราศาสแห่งธรรมพิจารณาโดยปัญญาพิจารณาความทุกข์ความเดือดร้อนแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเถอะ เขานี่เกลื่อนกลนไปด้วยโศกเนี่ยนะทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยนะรางวัลที่เขาได้รับทั้งหมดคือความโศกจริงๆนะทั้งทั้งหมดที่ทำทำกันอยู่เนี่ยรางวัลทั้งหมดของการกระทำในโลกคือความโศกมีอะไรบ้างไหมไ ม, ไม่จบลงด้วยโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตมันก็ทุกอย่างที่ทำทำนี่มีอะไรบ้างที่ไม่นำมาซึ่งความโศกในมั่นปลายทุกเรื่องว่างั้นเถอะเขาถามว่าเอาแล้วฟังทำอ่ะ ฟังธรรมก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าไม่บรรลุอริยสัจธรรมมันก็เกลือกกล้วอยู่กับความโศกไม่จำต้องพูดถึงเรื่องอื่นได้เรื่องสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโพธภพเป็นต้นเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัตว์และสังขารจบด้วยน้ําตาคลอเบ้าทั้งหมดเนี่ยนะนะทู้ น, นี้อย่างเบาเลยนะโศกานี้เบาแล้วยังมีปริเทวบบนบน บ, น บ, นบนอยู่นั่นแหละทุกกายแล้วก็เสียใจเนี่ยนะ ขับแค้นใจอึดอัดใจในที่สุดก็ตกไปสู่ชาติชารามรณะต่อไปวันจุดจบของสังสารทุกข์ทั้งหมดอยู่ที่โศกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเขาถูกชาติและชาราครอบงำอันในโลกของความคิดของหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่เกินคิดไม่มีคิดอะไรเกินชาติชารามรณะหรอกเมื่อคิดแต่สิ่งที่มีแต่ชาติชาราและมรณะจะไปไหน ก็น้ำตาคลอเบ้าอยู่ทุกวันนั่นแหลวก็มีเต็มไปด้วยโศกะเต็มไปด้วยความรับแค้นใจเสียใจเดือดร้อนใจอยู่อย่างนั้นแหละข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรพระองค์ผู้ทรงชนะสงครามพระองค์ผู้นำมูพระองค์งผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์จงอุสาหาภาพเพียรพยายามเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงอริยสัจธรรม เพราะสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงอริยสัจธรรมจกักมีพร ถ, ถ้าดูตามนี้นี่เท้าสามบดีพรมนี่ฉลาดอาราธนามากมนะนะนี่มอนเทอรนี่มตนเทอรถ้าอย่างงี้เราไม่ต้องหวังแล้วแต่ว่าฉลาดฉลาดเขาบอกว่าผู้ขอผู้ฉลาดย่อมได้รับความปรารถนาที่ที่ต้องการเท้ามหาพรหมก็กระตุน้นกรุณาของพระผู้มีพระภาคแต่ที่จริงแล้วที่เป็น ประเพณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องคิดแบบเดียวกันทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าลทัทธิโดยเฉพาะในเขตอินเดียเนี่ยนะถือการนับถือพระพรหมเป็นใหญ่ว่าพรหมคือผู้สร้างสรพรพสิ่งวันณะพราหมณ์เกิดจากโอทของพระพรหมเป็นต้นเนี่ยนะเขาก็ถือว่าวันณะทั้งหลายเกิดจากส่วนต่างๆของพระพรหมพรหมคือผู้สร้างสัตว์โลกเมื่อพรหมคือผู้สร้างสัตว์โลกเนี่ยทุกอย่างถ้ามาจากพรหมเขานับถือหมด ขอให้เอ่ยพรหมขึ้นนําหน้านั้นถ้าหากว่าพรหมอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมเนี่ยนะทัางก็เลยถือว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องสามัญแล้วขนาดพระเจ้าของเขายังต้องมาอาราธนาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระอิศวรของเขายังอาราธนาพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ที่สุดของลทัทธิของเขายัง อาราธานาพระพุทธเจ้าแสดงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยยิ่งใหญ่แม้กระทั่งพรมยังขอร้องพรมยังอ้อนวอนกราบไหว้เป็นต้นเนี่ยนะทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบคํากราบทูลอาราธานาของพรมตรวจดูเลยนะพระพุทธเจ้าเข้าใจทั้งหมดเลยความหมายของพรมที่ขออาราธนาอาราธนาเนี่ยนะอาราธนาแปลว่าเชื้อเชิญเนี่ยถ้อยคําเชื้อเชิญเนี่ยทุกคํามีความหมายยังไงพระองค์ก็รู้หมด เสร็จแล้วพระองค์ก็อาศัยความกรุณาที่มีอยู่ในสัรพสัตทั้งหลายนะนะก็สัตทั้งหลายเนี่ยควรแก่กรุณาอย่างยิ่งนะความที่สรรพะสัตทั้งหลายน่ากรุณาอย่างไรนะถ้าไล่ไล่ถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าเราไล่ให้ดีๆเนี่ยนะเราเนี่ยมีความน่าสงสารอยู่ในตัวอะไรบ้าง mm hmm. เคยตั้งมาคิดอย่างไงไหมหรือโอ้ดีหมดสมบูรณ์แบบเหมือ น, นนเหนีใช่ทุกสมบูรณ์แบบนะนี้เชื่อทีนี้ย้อนกลับมาว่าถามว่าถ้าเราหน้ากรุณาอย่างไรบ้างหนึ่งนะ ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะชาติติดตาชาติเนี่ยพามาชาราก็ติดตามพญาทีก็ครอบงำในที่สุดมรณะก็ห้ามหันโลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนนะโลกก็เดี๋ยวก็ก่อนนี้ก็หนุ่มสาวกว่ากว่าพรุ่งนี้ปีหน้าก็แล้วกันนะอีกสิปีข้างหน้าแกกว่านี้เยอะเนี่ยนะแทบจะจำหน้ากันไม่ได้เพราะตามไม่เคยมองเห็นอ้าวมาด้วยเหรอดีโชคสมัยนี้มันยังมีแว่นตาบ้าง น, นะ ฉรา ม, มากกว่านี้โรคอัญชรานําไปไม่ยั่งยืนโรคไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนดูซิเวลาป่วยแล้วช่วยอะไรตัวเองมัางยกมือยังยกไม่ไหวเลยนะกระร่องกระแร่งเต็มทีแล้วโรคไม่เป็นใหญ่เฉพาะตอนอย่าว่าข้างนอกเลยยิ่งใหญ่เนี่ย น, นะอ้าแต่ปากก็ยังอ้าไม่ขึ้นเลยนะยกตะแขนที่เคยแกลบแม้ต่อยคนอื่นทีเดียวสลับขาที่เลยอ่ะหนักๆเข้าแขนตัวเองก็จะยกไม่ไหวเมื่อก่อนนี้หัวเนี่ยแหม่ร่างกายเนี่ยวิ่งกระฉับกระเฉงเหลือเกินตอนนี้หนักๆเข้ามันจะ หอบสังขารขึ้นก็จะไม่ไหวแล้วมันโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนเนี่ยนะโลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเนี่นะในที่สุดแล้วมันของใครบ้างอรัไม่ใช่ของใครสักอย่างหรอกเนี่ยนะแต่ว่าตันหาไม่เคยยอม ง, ง่ายๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นศาสนาธรรมว่าไม่ใช่ของใครจุดจบของคนในโลกนี้จะอยู่ตั้งแต่ระดับสัตว์เล็กสัตว์น้อยไปจนถึงมหาจากักรพรรดิจุดจบก็ทิ้งซากเอาไว้ในโลกนี้แหละ แต่ว่าโลกจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแต่โลกนี้ไม่รู้จักอิ่มนะไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาเราเคยคิดไหมว่าเราพอแล้วที่จะเห็นเพียงพอแล้วที่จะเห็นเพียงพอแล้วที่จะฟังเพียงพอแล้วที่จะรู้กลิ่นรู้รสรับประทบโ พ, พธพภเพียงพอแล้วที่จะคิดว่าไม่เคยถมเต็มซากทีในทาวารหก พันโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าแห่งตัญหาแล้วก็โลกนะเป็นไปด้วยไฟไฟนี่ครอบงำอยู่ตลอดไฟนี่ไหมอยู่ตลอดเวลาคือไฟ11กองไงไฟคือชาติชร า, ามรณาโศกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตทุกทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะร่างเอร่างกายเขาก็ถูกความทุกโกครคภัยไข้เจ็บสารพัดโรคที่มีอยู่ในโลกนี้มันเกิดที่ไหนก็เกิดที่โรปประกายทั้งหลาย ความเดือดร้อนทั้งหลายเกิดที่ไหนก็เกิดที่รูปประกายทั้งหลายแล้วจิตใจของเขาล่ะตัณหากล่ามไปทั่วไปหมดอวิชาก็ปิดตาสักสนินะนะทแบบนั้นทให้ตาปัญญานี้ไม่งอกไม่เงยไม่เห็นความจริงตัณหาก็หลอกไปวันวันหนึ่งนะถูกตัณหาหลอกโง่ก็โง่ถูกหลอกก็อีกต่างหากเนี่ยนะก็ไปนะเป็นไปตามอํานาจของมิจฉาทิฏฐิโอฆะโยะคะกันเถนิวรณะ ปกปิดปิดกัน้นอนุสัยก็เล่นงานสังโยชน์ก็ผูกก็มัดร้อยรัดนะปฏิบัติอยู่ในมิช ต, ตะแปเนี่ยน ะ, นะสะแสวงหาด้วยตันหาเป็นมูล9ถูกบาปอากุศลทิฏฐิหกตันหารนะ้อยปเนี่ยครอบคลุมท่ว ม, ท, วมทับอยู่หมดเนี่ยนะฉั้นะนะสารพัดความสารพัดบาปอากุศลทั้งหลายก็ประดังเข้ามาในใจเนะฉะนั้นะนะชั่วจึงทําชั่วทางกายวาจาและใจเนี่ยนะนะก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถึงเขาทุกอย่างนั้นก็ไม่ได้ รู้อะไรที่มันออกจากทุกได้เลยเนี่ยนะเพราะนเขาเนี่ยตกอยู่ในเหวนะจมอยู่ในห่วงน้ำไปต้นพระองค์ก็กรุณาเห็นแล้วว่าเขาเนี่มีความทุกข์อะไรทั้งหมดที่เขามีอยู่พระองค์ก็ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุพุทธจักสุก็คืออินทรียโปรปริยตญานและอาสยานุสยานเมื่อพระองค์ตรวจดูสัตว์โลกด้วยอาสญานุสยานอินทรียโปรปริยตยานด้วยพุทธจักสุ ก็ทรงเห็นหมูสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีในทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยออผู้ที่มีทุลีในจักษุน้อยก็คือผู้ที่มีศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาบางพวกก็มากเหลือเกินนไม่รู้จะไปโปรดตรงไหนขึ้นนะนะเพราะอะไรไม่มีศรัท ธ, ธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิและไม่มีปัญญาบางพวกอินรีย์5ก็แก่กล้าบางพวกอินรีย์5ก็อ่อนอ่อนอ่อนนี่แปลว่าไม่มี ม่มีแม้แต่ศรัทธาในกับพี่เดียวก็ไม่มีเหมืองกันบางพวกก็มีอาการดีเป็นไงอาการเป็นยังไงบ้างอะ น, นะบางพวกก็อาการดีก็หมายศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญานี่ดีบางพวกก็อาการนี่เลวร้ายมากอาการนี้เป็นเอามากเพราะไม่มีศรัทธาไม่มีอะไรเป็นต้นเลยก็เรียกว่าพวกอาการสามอาการไม่ดีพวกมี nc ห้าก็สอนให้รู้ง่ายพวกไม่มี nc ห้าก็สอนให้รู้ยากบางพวกมีปกติเห็นโลกและโทษโดยความเป็นภยัย คือเห็นโลกหนึ่ง 6, 7, 8, สา0ส2 1ห้าเจ็ดปดนี่ยนะเห็นโลกทั้งหลายเหล่านี้โดยความเป็นภัย น, นะภัยแค่ไหนเหมือนเพชฌขาดผู้เงือ้อดาบที่จะประหารอยู่นั่นแหละบางพวกนีสบายเพลินไปหมดเอก็ไม่มีอะไรเลวร้ายเนี่ยอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช้ได้นี่ก็แจ๋วทุกอย่างนี่สมหวังหมดเลยมันองค์ก็ตรวจดูแล้วเปรียบเหมือนอะไรผู้ที่พอจะตรัสรู้ได้ก็เหมือนดอ ก, ดอกบัวนะ ถือว่าบัวบานถามว่าทำไมพุทธศาสนาจึงยกสั ญ, ญลักษณ์บัวเพราะว่าบัวนั้นดอกบัวเนี่ยนะจะเกิดในน้ำอ่า น, นะอาศัยน้ำและโครนตมเจริญในน้ำเติบโตในน้ำน้ำหล่อเลี้ยงไว้จนโผล่พ้นน้ำแต่ก็ไม่แปดเปื้อนไปด้วยน้ำบานส่งกลิ่นหอมอ น, นะเมื่อรับแสงอาทิตย์เนี่ยนะก็บานโชยกลิ่นหอมให้ระรื่อนฉันใดมูสัตผู้เกิดในโลกก็ฉันนั้น นะว่ามีอุปมาเหมือนในดอกอุบลกอประทมในกว่า ด, ดอกประทมในกอประทมดอกบัวในกอบัวดอกอุบลในกออุบลหรือดอกบุญทริกในกอบุญทริกที่เกิดในน้ำเจริญแล้วในน้ำงอกงามแล้วในน้ำบางเหล่าก็จมอยู่ในน้ำอันน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้บางเหล่าก็ตั้งอยู่เสมอน้ำบางเหล่าก็พ้นน้ำน้าไม่แปดเปื้อนแล้วนะ